แที่นี้ถ้าเกิดว่าหากไปตกอยู่ในอำนาจของเขาแล้วก็ตามไปทุกอย่างอย่างนั้นก็หน้ารงดังว่าสังคตุน่ะภาสติหรือนาโสคติตกอยู่ในอำนาจของสติหรือนาเรียบย่อก็ไม่งาอันนี้ก็เป็นพาสิตตอนหนึ่งในกุณาราชาทุก ยาวมากยาวมากอันนี้กเ็เป็นการแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆ เ, เพิ่มเติมเข้ามาจากพุทธพยรกรที่ว่า เ, าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรหรือจะนำมาใช้อย่างไรในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้ประโยชน์ในปัจจุบัน ไม่ได้ประโยชน์ในปัจจุบันจะมีอีกสองข้อครับข้อสิบห้ากับข้อ1ิหกก็ไม่ทันแล้วก็ต้องเป็นตรงนี้วันนี้ก็คงขอสวัสด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญคุณมีได้ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยโทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ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 ก็คือเรื่องพุทธพยากรณ์เรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายหรือพยากรณ์ความฝันของพระเจ้าประเสรนาทิโกศ นาละเขาคุยกันกับนกปุนามุขะท่านที่ฟังเมื่อคืนฟันจันทร์เมื่อคืนนี้ก็คงเสียผ่นได้ก่อนนะครับที่ว่าเตชาวาปิจินโดวิจขันโนบุคคลแม้จะมีเดชมีปัญญาเขียบขบส ก, กโตบาหุชนัสสะปูชิตโตเป็นที่ สักการะบูชาของคนหมู่มากนารีนังวสังคตโตนะโสภติถ้าตกอยู่ในอำนาจของนารีหรือสตรีแล้วก็จะไม่รุ่งเรื่มไม่ไม่งามไม่รุ่งเรือมแล้วก็พุดหายเล่าให้ฟังถึงค่ะนกนกกูนาละ ซึ่งเป็นนกโพธิสัตว์แล้วก็นกปุญนมุขะมันเป็นเพื่อนกันเขาก็คุยกันอันนี้ก็เป็นธรรมของนกอากุณาละ น, นั่นแล้วก็บางท่านก็ตามไปอ่านผมก็บอกว่าชาดกนี้อย่าไปอ่านเลยอนินทาผู้หญิงไว้เยอะบางท่านก็ตามไปอ่านอันนี้ก็ก็ต้องอธิบายให้ฟังว่า ชาดกต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแล้วก็ําหนิผู้หญิงเนี่ยเกิท่านจะแสดงกับพระทรงแสดงแก่พระเรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะสอนพระให้ให้เบือนายในมาตุกบอันนี้ก็เล่าเรื่องนิดนึงก็ได้ครับเท่าความนิดนึงก็ได้ พระญาติทั้งสองฝ่ายแย่งน้ํากันแย่งน้ํำในแม่น้ําโรฮินีกันแย่งน้ําทํานานะครับพระเจ้าท่านก็เสด็จไปห้ามห้ามพระญาติได้สาเร็จแล้วพระญาติเหล่านั้นก็รู้สึกในพระคุณของพระภูมิพระภาก็เลยให้สักยะ ก, กุมาร พระรัชกุมารทางศักยญางศ์สองร้อยห้าสิบแล้วก็พระรัชกุมารทางโกรยะาพงศ์ที่สองร้อยห้าสิบก็รวมเป็นห้าร้อยออกบวชออกบวชตามสเสด็จพระภูมิพระพาทีนี้ก็บวชไปบวชมาก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยความเต็มใจนี่ครับไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธา แต่ว่าบวช ด, ด้วยความเกรงพระไทยพระญาติผู้ใหญ่แล้วก็เกรงพระไทยพระพุทธเจ้าก็เลยบวชพอบวชแล้วก็ทางบางท่านก็มีมเหสีอยู่มามีชายาอยู่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะสู้เต็มใจนักเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพัญญาเออชายานั่นแหละ ก็ส่งสารไปบ้างไปรบกวนบ้างอะไรก็ทําให้พระก็ใจวอกแวกวอกแวกจะสึกยร่ำร้องจะสึกกันอยู่ให้ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นอย่งนั้นก็เลยเอทํายังไงดีจะเอาพระเหล่านี้เอาไว้ได้ไม่ให้ไม่ให้สึกละบวชแล้วไม่ให้สึกแล้วเป็นพระยะก็เลยถามว่าเคยไปเที่ยวป่ายมาผ่านไหม อไม่เคยไปเจ้าคาไปไม่ได้ไปไม่ไหวเราจะไปยังไงว่าไม่เป็นไรเราพาไปได้พระพุทธเจ้าของเราพาไปได้พาไปพระพุทธเจ้าพาไปไปด้วยฤทธ์พาพระเรานั่นไปด้วยไปชมนกชมไม้ชมภูเขาชมอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยสาดุจ่าดุนี่ยาวมากและสนุกมากด้วยอ <c oughs> ยาวมากเลยสนุกมากเลยมันอาสีตินิบาทเนี่ยอาสีติมันแปลว่าแปดสิบอสีตินิบาศมันคาถามันเยอะครับคาถาเยอะอายาวยิ่งยิ่งหมดจะเอามากมันก็คาถาก็ยาวมาก <c oughs> แตเป็นเป็นนิทานซ้อนนิทานเยอะเลยไกล้นิทานเวตาล น, นะครับท่านที่ทเคยอ่านนิทานเวตาล หรือว่าฮิโตประเทศนังสือฮิโตประเทศนิทานเวตาล น, น, นี่จะเป็นนิทานซ้อนนิทานซ้อนซ้อนซ้อนกันมา อ, อตัวละครตัวนั่นเล่าแล้วก็เล่าต่อแล้วก็เล่าเรานิทานซ้อนนิทานฮนี่ก็พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเ อ, อจัดเล่าถึงกุณหะราชดุษ กุณาราชดก็ไม่มีไม่ใช่ใครหรอกนอกกุณาละก็คือพระองค์นั่นแหละว่าเรานี่แหละเป็ น, นกุณาระแล้วก็กุณาละนี่มีนิทาเ น, น, น, านทาเยอะเหมือนกันนอกกุณาระมีนิทานเยอะเละ่านิทานเยอะแยะไปหมดเลยอ่าเสร็จแล้วพอจบลงแล้วก็ปรากฏว่าพระเหล่านั้นตั้งห้าร้อยได้สาเร็จอรหัตจะพุ แล้วก็ขากลับก็ไม่ไม่ต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคนะมีฤทธ์กลับได้เองกลับได้เองเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องอดูให้ดีว่าอที่ที่ท่านจัดนั้นท่านจัดมุ่งหมายอะไระท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะําหนี้ผู้หญิงอะไรมากมายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าในที่นี้มีจุดประสงค์ในการที่จะ ให้พระที่บวชอยู่นั้นเบื่อหน่ายในการที่จะจะออกไปครองเพศกับเร า, าบายคือว่าให้พอใจในเพศปั่นไปซิบต่อไปท่านก็จัดเรื่องนี้ที่ไหนที่ไหนที่ตำหนิสตรีลองสืบไปดูเถอประวัตินะคือว่าท่านเทศสอนพระทั้งนั้น แต่ส่วนแต่ว่าบางแห่งเวลาพูดกับคาราว่าอย่างเช่นกับพระราชาอะไรนี่ท่านก็ยกย่องยกย่องสตรีเยอะเลยมีเยอะเห็นว่าคราวหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์ที่กดสนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วขณะที่กําลังสนทนากันอยู่ก็มีราชบุรุษไปกระซิบที่ประกันกลยประกันบอกว่าพระนางมัลลิกาคลอดออพระราชโอรส อคลอดคลอดคลอดแหละคลอดพระโอรสแล้วจะเรียกว่าอะไรดีคลอดลูกก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนี่คลอดพระราชธิดาคลอดพระราชธิดาอทีนี้ก็พอได้ยินว่าเป็นพระราชธิดาก็ทําท่าจะเสียพระไทยอยากได้พระราชาโอรสพระพุทธเจ้าท่านก็จัดบอกว่ามหาบาพิตรอย่าเสียพระไทยเลยเอ สตรีบางคนสตรีบางคนเมตาวินีศีลวัติเนีมตาวินีสีละ ว, วัวติเป็นนักปราช <c oughs> เป็นนักปราศแล้วก็เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนดีสตรีเช่นนี้สตรีเช่นนี้อาจจะเป็นมารดาของพระราชชาที่เป็นจกักรพรรดิหรือเป็นใหญ่ในทิศทั้งปวงก็ได้พระเจ้าประเสนที่โกสนก็ ส ง, งบพระไทยลงไปด้วยคำปลอบของพระผู้มีพระภาคนัคือว่าเวลาเราเห็นสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าจัดแล้วตามไปตามไปดูให้ถึงต้นต่อว่าท่านเทศนาสอนใครท่านพูดกับใครถ้าเราก็จะได้จุดประสงค์จะได้อะไรตัวอะไรหลายอย่างที่ อ๋อท่านมีจุดประสงค์อย่างนี้เองท่านจริงถับอย่างนี้ <c oughs> ทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอานกกุณาลานนี้ก็เหลือหลายจริง <c oughs> เหลือเหลือหลายจริงๆมีบริวาลที่เป็นนางนกเท่าไรเท่าไรสามพันห้าสามพันห้าแล้วก็แบ่งเป็นหก ห้าจำพวกมั้งห้าพวกอลองลองดูก็ได้พวกหนึ่งบินอยู่ข้างบนบินอยู่ข้างบนห้าร้อยเพื่อเป็นร่มเงาบินอยู่ข้างล่างห้าร้อยเพื่อป้องกันว่าใครจะยิงขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็บินนำหน้าห้าร้อยแล้วก็บินอยู่ข้างหลังอีกห้าร้อยเป็นเท่าไหร่แล้วสองพันแล้วเหรอบินอยู่ตรงไหนอีกอ่ะไปเที่ยวหากิน ไปเที่ยวหากินอีกห้าร้อยออกมาพลนเลแล้วสองตัวก็จับจับมาให้เข้าให้พยานกหาเกาะยู่บนไม้แล้วก็สองตัวก็บินไปพาบินไปทํานองทํานองเนี้ยนะครับเล่าไม่หมดแต่ว่าทํานองเนี้ยก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะครับผมก็ สงสัยว่าถ้าเผื่อทําอยู่อย่างนี้เป็นประจำเป็นง่อยตายเป็นน้ำมาป่าเป็นน้ำหมาพึ่บไปบินก็ไม่ได้บิน <c oughs> ทําอะไรก็ไม่ได้ทำเอาแล้วครับก็เอขอผ่านไปก็แล้วกันสําหรับเรื่อง เ, อเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูตัวใหญ่อทํานองนี้นะครับจะได้มาถึงข้อสิบห้าครับ ข้อสิบห้าเห็นฝูงพยาหงทองพากันแวดล้อมกาขันเห็นพยาหงทองพากันแวดล้อมกาก็ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าพระราชาผู้ไม่ฉลาดจะไม่พระราชทานความเป็นใหญ่แก่กุลบุตรผู้มีชาติเธอกุณดีแต่กับ พระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่องทรงและกระปกเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้ชิดแวดล้อมพระองค์อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้กุลเราปุตผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเถกูลก็จะพากันไปปฏิบัติบำ ร, รุงแวดล้อมผู้ไม่มีชาติเถกูลเหมือนหงแวดล้อมผูงก่าฉะนั้น <c oughs> อันนี้ก็ ก็แล้วแต่จะแล้วแต่จะพิจารณาดูนะครับว่าต่อไปภายหน้าภายหน้าไม่ทราบเมื่อไหร่ว่าเคยเกิดมาแล้วกําลังเป็นอยู่หรือต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกเมื่อไม่พระราชทานความเป็นใหญ่แก่กุลบุตรผู้มีชัดเถกคุณดีแต่ทีนี้ไปพระราชทานความเป็นใหญ่ให้กับคนที่ ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเดี๋ยวว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นพนักงานเครื่องสงเป็นการปกที่แวดล้อมโองอยู่ <c oughs> หรือว่า <c oughs> หรือว่าผู้ปกครองบ้านเมืองก็ให้ยศให้เกียรติให้งานให้อะไรต่ออะไรกับคนที่อยู่ใกล้ชิดรปจบซ้ออะไรคนที่มีความรู้ความสามารถดีเน่ห่างออกไป ไม่จะมีความรู้ความสามารถดีก็มองไม่เห็นกลายเป็นคนวงนอกกลายเป็นคนวงนอกไม่ใช่คนข้างในทีนี้ถ้ามีใจไม่เข้มแข็งพอไม่ไม่มีจิตใจเป็นมหาบุรุษเป็นคนใจสิงก็จะทิ้งอุดมคติแล้วก็ไปแวดล้อมคนไม่ดี อันนี้ลองดูพระพุทธภาสิทธ์บางตอนก็ได้พุทธภาสิทธ์บางตอนที่ท่านทรงแสดงเอาไว้ยิ่งเป็นยิงเป็นคนในวัดหรือเป็นพระสงฆ์ก็ยิงมีความจําเป็นที่จะต้องยอมให้ทอ้องฟ้องเรีว่าโอโนโดโรโยสาเตชิคัดย่างผู้ใดผู้ใด ยอมอดทนต่อความขิวยอมให้ท้องพร่องโอโนไดโรแปลว่าท้องพรองคือไม่ยิ้มไม่ยิ้มท้องพร่อง อ, อุณ <c oughs> นะบอกว่าอุทอนอุทอนแปลว่าท้องหนึ่งฮโนไดโรท้องพรองแต่ว่ า, าดันโตเป็นผู้ฝึกตนแล้วแต่ปัสสีเป็นคนมีตาบะเป็นคนมีความเพียด แล้วก็มีตาปานะโพชนโนมีออปานะและโภชนะปานะก็เครื่องดื่มโภชนะก็ของกินแต่พอประมาณมี <c oughs> ปานิยะโภชนิยาหาันแต่พอประมาณ อ, อ, อาหารเรยะตุนั ก, กโรติปาปังไม่กระทำบาเพราะเห็นแก่อาหารตั้งเวนารังสมั สมณะมาหุโลกเกนักปรากทั้งหลายกล่าวบุคคลเช่นนั้นแหละความเป็นสมณะในโลกน่าสนใจ <c oughs> น่าสนใจย่อไม่ท่องพร่องยออ่ยอหมอดย่อหมดแต่ว่าเป็นคนฝึกตนเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีข้าวมีน้ำแต่พอประมาณเพราะถ้าเรากินข้าวกินน้ำแต่พอประมาณ มันก็ต้องไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องใช้อะไรมากก็ไม่ต้องไปง้อใครมากอยู่ได้ <c oughs> อยู่ได้โดยลำพังตงนเองวันๆหนึ่งก็ ก, กินไม่เท่าไหร่ก็มีข้าวน้าแต่พอประมาณแล้วก็ทำให้มีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีอาพาธน้อย มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขแล้วก็ไม่ยอมทำบาปเพราะเห็นแก่กินอารรเหตุหนักโรโดติปปาปังไม่ทำบาปเพราะเห็นแก่กินนักปรฏิทั้งหลายกล่าวเรียกบุคคลเช่นนั้นแหละว่าเป็นสมณะในโลกอันนี้ก็แสดงว่าไม่ไม่ได้คำหนึ่งถึงรูปแบบแต่คำหนึ่งถึงเนือา คำหนึงถึงความเป็นอยู่จริงๆว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรสมณะควรจะเป็นอยู่อย่างไรไม่ใช่เพียงแต่รูปแบบแต่ทีนี้ถ้ามีรูปแบบเป็นสมณะแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็ก็ก็เป็นสมณะโดยรูปแบบแต่เป็นไม่เป็นสมณะโดยโดยเนื้อ โดยเนื้อแท้โดยเนี่ยก็จะต้องไปทำบาปเพราะเห็นแก่กินเพราะเห็นแก่ลาบสักกรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พูะเจ้าท่านตรัสว่าไม้สี่จพวกวไม้แก่นมีไม้แก่นเป็นบริวารก็มี <c oughs> แล้วก็ไม้แก่นมีไม้ไม่มีแก่นเป็นบริวารก็มี ไม้ไม่มีแกนแล้ก็มีไม้แกนเป็นบริวารก็มีไม้ไม่มีแกนมีไม้ไม่มีแกนเป็นบริวารก็มีอันนี้ก็หมายความหมายความว่าคนบางคนเป็นคนดีแล้วก็มีบริวารเป็นคนไม่ดีบางคนเป็นคนไม่ดี ด้วยตนเองแล้วก็มีบริวารไม่ดีด้วยบางคนเป็นคนไม่ดีแต่มีบริวารเป็นคนดีบางคนเป็นคนดีแล้วก็มีบริวารเป็นคนดีแบเหมือนกับไม้สี่จำพวกแอมบุคคลสี่จำพวกในโลกซึ่งมีอยู่ในโลกอย่างนี้ เพราเราก็ไม่ต้องสงสัยนะครับบางทีทาไมคนนั้นเขาดีแสนจะดีทำไมทำไมบริวารมันเป็นอันทพาลมันก็มีอยู่ในลูกหรือว่าบางคนก็อตัวมันไม่ได้ความเลยแต่ว่าบริวารเขาก็ดีบริวารเขาดีอย่างนี้ก็มีอยู่เทียบดูกับพ่อแม่ก็ได้ครับไกล้ๆก็มาในครอบครัวพ่อแม่ดีลูกไม่ดีก็มี พ่อแม่ดีลูกดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีลูกดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีลูกไม่ดีก็มีมีอยู่สี่จำพวกตอนนี้ก็มาถึงข้อที่กับข้อสุดท้ายวันนี้คงจบสถิเห็นฝูงแกะพากันไล่กวดเสือเหลืองแล้วกัดกิ น, กนพวกเสือดาวเสือโคร่งเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวพากันหนีข้าวูุ่มทุ่มพุ่มไม้ ลุกซ่อนตัวเพราะกลัวฝูงแกะพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์มาต่อไปภายหนะ้าพวกไม่มีส ก, กุลจักเป็นรชาชวัลลศเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ไม่เทอะเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่เราก็ได้เป็นใหญ่เป็นตตส่วนพวกมีส ก, กุลจักอับเฉาตกยากนี่เมื่อมีเรื่องถึงลงถึงสาร พระราชาวันรบ ก, ก็จะลุกรานพวกที่มีตระกูลมันขุ่งแกะไล่เสือดาวขุงแกะไล่เสือดาวเสือเหลืองเสือโครง่งคุกคามเสือ <c oughs> อทีนี้ก็ต่อไปก็จัดว่าแม่ภิกษุผู้ชั่วชา้าก็จับพากันเบียดเปลี่ยนภิกษุผู้มีสิทธ ภิกษุมีศีลไม่ได้ที่พึ่งก็จะพา ก, กันลบซ้อนอยู่ในป่าอันนี้ก็เท็จจริงอย่างไรจริงอย่างไรจริงอย่างไรแค่ไหนก็คงจะจริงมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่จะไม่ใช่จะเพิ่งจริงแต่ว่าจริงมาเรื่อยๆมันเป็นบางยุคบางสมัยบางคราวที่คนดีคนดีก็ คนไม่ดีก็เฟื่องฟูขึ้นมาภิกษุที่ชั่วช้าก็พากันเบียดเลียนภิกษุผู้มีศีลก็ว่าบางทีก็เป็นอยู่ง่ายเป็นอยู่ง่ายหาความร่ำรวยได้ง่ายครับเพราะความที่เป็นคนที่ขาดความละอายในส่วนภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ที่พึงก็จะพากันลบซ่อนอยู่ในป่า ไม่รู้จะไปอย่างไรก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับเรื่องพุทธพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์กับพระเจ้าเปรตที่โกศสิบหกขอด้วยกันแล้วก็เมื่อจัดพยากรณ์พรสุบินนิมิตของพระเจ้าเปรตที่โกศจบแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ใจว่าเรื่องทานองนี้เคยมีมาแล้วในอดีต คือสมัยพระเจ้าพรหมทัต์ครองเมืองพราราณสีพระเจ้าพรหมทัต์เคยทรงเห็นสุบินนิมิตยอย่างนี้เหมือนกันจะถามพวกปราโมโรหิตพวกปราหม์ก็ถูกให้ทําพิธีบูชายอย่างเช่นนี้เหมือนกันจะได้อาศัยมานพผู้เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดและดาบทผู้ได้อภิญญาจึงสามารถทํานายพระสุบินนิมิตเช่นเดียวกับที่เราตาทาคตทํานายในบัด น, นี้ พวกพรามปุโรหิตถือเป็นทางธรรม า, ากิตจึงกราบทูลพระราชาเช่นนั้นแต่เด็กหนุ่มผู้เป็นสิทธิ์เป็นคนฉลาดและซื่อจงได้ถามอาจารย์ว่าในคำพีมีหรือที่บอกว่าค่าสัตว์อื่น่าผู้อื่นเพื่อความสวัสดียางชีวิตของตนราธรรมก็ตอบว่าไม่มีแต่เป็นช่องทางให้ได้ลาบได้ทรัพย์จึงต้องทำเช่นนั้น พระเมียพระเจ้าจัดเรื่องนี้จบลงแล้วก็เจ้าปอรเ์เซนที่กฤษณ์ก็เลิกทําพิธีบูชาจ้ะเรื่องก็จบเขียงเท่านี้นะครับเวลาก็หมดพอดีขอความสุขสวัสดีความเจริญความรุ่งเรืองด้วยปัญญาพึงมีแด่ท่านผู้กระทารายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับเรื่องนี้ผมจะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ให้ว่าเรื่องว่า าการเตือนใจและแรงจูงใจนะครับการเตือนใจและแรงจูงใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนนะฮะเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วคำเตือนใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราทางพุทธศาสนาจึงได้จักให้มี การฟังธรรมหรือการบรรยายธรรมเป็นเนืองนิดอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งก็เพื่อจะให้มีการเตือนใจจากภายนอกแต่ท่านถือว่าการฟังธรรมหรือการสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตตามพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่ากาเลณธรรมมาสากชา การสนทนาธรรมตามการอันควรคือสนทนาธรรมกันบ้างนะครับก็เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งหรือการเลณธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเวลาอันควรนะก็เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อเราจะได้รับคําเตือนใจจากพระสงฆ์บ้าง จกผู้บญญรรยายทมที่เป็นคารวาสบางคำเตือนใจได้รับคำเตือนใจแล้วก็จะได้ออกไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับคนเราบางทีก็เผลอๆไปเรือนๆไปเลอไเละไปอะไรไปมีภารกิจยุ่งเหยิงอะไรมากมายมัวยุ่งวุ่นวายอยู่กับทางด้านร่างกาย หรือว่าหาอาหารหาอะไรต่ออะไรมาปลนเปลร่างกายในที่นี้ทางด้านจิตใจนั้นก็อาจจะละเลยไปถ้าพอมีคําเตือนใจก็จะได้สานึกหรือว่าระลึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะเว้นอย่างนี้เราควรจะทําสิ่งนี้เพราะคําคเตือนใจนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญมากบางท่านก็กลับใจได้ก็เพราะคําเตือนใจ หรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวได้ก็เพราะคำเตือนใจตัวอย่างแม้แม้พระพุทธเจ้าของเราเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองเนี่ย ต, ตอนที่พระองค์ท่านได้บาเพ็ญทุกรกิริยาคือทำความเพียรอย่างขนาดหนักจนถึงกับ เ, เกือบจะสูญเสียพระชนมาชีพ พระพระพระรูปหรือว่าพระวรกายภายพร้อมลงไปมากจะเดินจะลุ <c oughs> กก็เซเดินไม่ค่อยไหวก็มีคนดิดพินผ่านมาทางที่พระองค์กำลังทำความเพียรอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ข้อความในการดิดพินนั้นก็มีว่า สายพินเนี่ยถ้าเผื่อดึงตึงเกินไปนะครับถ้าเผื่อดึงเกินไปก็จะขาดถ้าเผื่อย่อนเกินไปก็จะเสียงไม่ไพเราะก็ต้องดิดพินคึงสายให้พอดีคึงสายให้พอดีพินถึงจะเสียงดังไพเราะดีอันนี้เป็นคําเตือนโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาพราะองค์ก็ได้ฟังแล้วก็ได้สดับแล้วก็ถือเป็น การเตือนพระไทยของพระองค์เองว่าเออเวลานี้เราก็คงทำความเพียรมากไปแล้วเหมือนกับออสายพินที่ตึงเกินไปอาจจะขาดพึ้งลงมาได้จึงได้ทรงเลิกเลิกทำทุกกระกิยาคือความเพียรที่เข้มงวดเกินไปแล้วก็กลับมาเสวยพระกาหารให้ร่างกายปกติ แล้วก็ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตในขณะที่ทรงเลิกเสวพยพระกาหารมาดำเนินชีวิตตามปกติเพื่อจะทําความเพียรทางจิตต่อไปนั้นปัญจวัคคีย์ซึ่งเฝ้าอยู่ก็ เ, เห็นว่าพระองค์ได้เลิกทิศทางที่สมณะควรจะทํเพราะเวลานั้นเขาเชื่อกันว่าสมณะเนี่ย จะบรรลุความหลุดพ้นจะถึงความหลุดพ้นได้ก็เพราะการาทําทุกขกรกิริยาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเลิกเขาก็อยากไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆจะแล้วที <c oughs> นี้ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนอื่นไม่ไม่ทรงมีปัญญาเฉลียวฉลาดพระองค์ก็คงไม่กล้าเลิกทําความเพียรเพราะเกรงว่าจะถูกดูหมิน่น ถูกดูมินจากสิทธิของตนที่เฝ้าบริบบติอยู่นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็จากนักพจทั้งหลายนักบวชทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เทียบตนกับผู้อื่นไม่ทรงคำนึงถึงความคิดเห็นของอเบญจวัคคีหรือปัญจวัคคีแต่ทรงคำนึงถึงอุดมคติ ว่าพระองค์ต้องการจะไปให้ถึงอุดมคติคือความหลุดพ้นหรื อ, อพระโพธิญาณที่พระองค์ส่งประสงค์ทีนี้ <c oughs> เมื่อส่งเทียบชีวิตของพระองค์เวลานั้นกับอุดมคติ <c oughs> ก็ทรงเห็นว่ายังไกลจากอุดมคติแล้วก็ทางที่จะดำเนินไปสู่อุดมคติ ก็ไม่ใช่ทางที่ทำอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นเลิกทุกขละกิริยาแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการด้อยหรือสูญเสียหรือเสียหายอะไรนั่นคนเราก็เหมือนกันในชีวิตประจำวันเนี่ยครับเอาพุทธจริยาตอนนี้มาเป็นแบบอย่างได้คือถ้าเราทำอะไรจู่เห็นว่ามัน ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของเราถึงคนอื่นเขาจะเชียร์คนอื่นเขาจะเห็นด้วยคนอื่นเขาจะเห็นว่าเป็นทางที่ถูกต้องแต่ว่าทางของใครก็ทางของคนนั้นถ้าเราเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางของเราเราเลิกได้เพราะเราไม่ถึงในความรู้สึกของคนอื่นจะเป็นการด้อยแต่ว่าเราไม่ได้เทียบเรากับคนอื่นแต่เราเทียบ เรากับอุดมคติที่เราจะไปให้ถึงถ้าเผื่อสิ่งที่เราจะทำใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ไปให้ถึงอาดมณคติของเราได้เราก็ทำใหม่ <c oughs> ทำใหม่ได้ไม่ไม่เป็นไรนี่เอาเอาพุทธเจริยาตอนนี้มาเป็นตัวอย่างว่าเราบางทีก็ได้รับคำเตือนจากผู้หวังดีบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางของคุณนะ ว่าเราเตือนใจตัวเราเองก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะรู้ตัวเราเองได้อันนี้ไม่ใช่ทางเราเขาไม่เอาอันนี้เป็นต้นนะฮะที น, นี้มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าคือพระโสณโคลิวิสะพระโสนโคลิวิสะอันนี้ท่านเป็นคุณระบะุที่ละเอียดอ่อนมากเป็นคุณระบุที่ <c oughs> เป็นกุลบที่ละเอียดอ่อนมากในตำราบอกว่าฝ่าเท้าของท่านนี่อ่อนมากทีนี้ท่านมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อทำความเพียรร <c oughs> ุนแรงมากเลยทำความเพียรหนักเดินจงกรมคือเดินไปเดินมาเนี่ยเดินจงกรมไม่พักไม่พอดเดินจนเท้าแตกไปหมดเลยกระปมแล้วก็แตก ถึงกระนั้นก็ยังไม่หยุดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเจียม <c oughs> ก็เตือนท่านบอกว่าโสณะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วแล้วก็พระโสณ น, นี่ทราบว่าเคยเป็นนักดีดพินมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็อ้างถึง เ, เรื่องการดีดพินบรรยางที่เล่าให้ฟังแล้วสักครู่ีี ประโสนะก็ระลึกขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นผู้ชำนาญในพินในการดิดพินก็เลยย่อนความเพียรลงมาให้พอดีให้พอดีพอทำความเพียรแต่พอดีก็ได้บรลุมักพจนอันนี้ก็ด้วยอำนาจของคำเตือนนะครับคำเตือนใจมีโยคีอินเดียท่านหนึ่งนะครับเมื่อปลายพุทธศตรวรรษที่สิบห้า เรื่องนี้ผมเคยคุยกับท่านผู้ฟังบ้างแล้วเมื่อคุยกับคุณสยามมนจูขอเล่าซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสั้นๆท่านได้รับคําเตือนใจจากโสเพณีแล้วก็ท่านก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้โยคีท่านเนี้ยครับเมื่อสมัยท่านยังหนุ่มเนี้ยท่านก็มีอปณิสัยหนักไปทางค่อนข้างจะหนักไปทางกา ร, รม่รบ แล้วก็ไปอยู่กับโสเพณีไปพักอยู่กับบ้านของโสเพณีคืออย่ตลอด <c oughs> ก็วันหนึ่งก็มีคนมาส่งข่าวว่าคุณพ่อป่วยหนะักให้รีบไปท่านก็ไปเยี่ยมคุณพ่อก็ปรากฏว่าคุณพ่อก็เสียชีวิตเสียชีวิตตอนที่ท่านไปไปถึง <c oughs> ท่านก็จัดการศพของคุณพ่อเสร็จเรียบร้อย แล้วก็จิตใจก็กังวลถึงโสเพนีท่านก็กลับในคืนนั้นกลับไปหาโสเพนีบังเอิญฝนตกหนะักน้ำในแม่น้ำก็ขึ้นมามากท่านตัดสินใจว่ายน้ำในว่ายน้ำข้ามไป บ, งงมบังเอิญมีศพลอยมาศพในอินเดียนี่หาได้ไม่ยากนะครับ ศพที่ลอยน้ำมาเนี่ยได้ไม่ยากศพลอยน้ำมาท่านก็เกาะศพนั้นพะยุงตัวไปจนข้ามฝั่งได้แ้วไปหาศพเพนีคนคนนั้นเป็นที่รักพ อ, อไปถึงก็กลิ่นศพก็ติดตัวไปนะครับศพเพนีก็ทักขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมีกลิ่นแปลกๆมันกลิ่นศพ ท่านก็บอกว่าก็จริงอ่ะเป็นกลิ่นศพจริงๆเพราะว่าท่านว่วน า, าว่ายน้าก็อศพมาศพเป็นีก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าถ้าเผื่อพี่รักพระเจ้าหรือว่ารักความดีมันอย่างที่รักน้องอคำหนึ่งถึงพระเจ้าหรือคำหนึ่งถึงความดีมันอย่างที่คำหนึ่งถึงน้องระลึกถึงน้องพี่ก็จะเป็นคนดีที่สุดในโลกหรือสามารถจะบรรลุทำระดับสูงได้ เพียงเท่านี้นครับคำเตือนเพียงเท่านี้ท่านพุทีก็ได้รู้สึกตัวแล้วก็ขอบคุณโสเพนีแถมไหว้ด้วยถือว่าเป็นผู้ให้คำเตือนที่มีคุณค่ามากท่านก็ค้างอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งแล้วก็าลาโสเพนีไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องอีกเลยแล้วก็ออกบวชเป็นโยคี มีความรู้ความสามารถทางจิตสูงมากเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือในอินเดียเมื่อปลายพุธษษษทธศตวรรษที่สิบห้าเนี่ยนะครับ เ, เพราะฉะนั้นเรื่องคำเตือนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากอย่าใจดูหมิ่นคำเตือนอใครเขาเตือนอะไรเราอะไรนิดๆหน่อยๆก็ฟังเอาไว้เท่านำมาพินิจพิจารณา ไม่ใช่เป็นคนหัวอ่อนแต่ว่าเป็นคนว่าง่าย <c oughs> ให้ความเป็นคนว่าง่ายเนี่ยเป็นสริมงคลของชีวิตอย่างหนึ่งในมงคลสามสิบแปดนะครับ อ, อ, อย่างที่ว่าขันตีจะโสวจัตสตาโสวจัตสตาความเปนผู้วง่ายเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตใครเขาเตือนอะไรเรานิดหน่อยก็เปรวารณาซะเลยบอกว่า ท่านเป็นผู้หวังดีต่อผมหรือต่อดิฉันต่อข้าพเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปขอให้ท่านได้เตือนอีกออย่างนี้ก็ดูน่ารักดีใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเขาเตือนอะไรนิดหน่อยแล้วก็เอตะบึงตะบอลอะไรทําท่าทาง อ, อไม่น่าไม่พอใจ เ, ออเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันขึ้นมานี่ถ้าจะตั้งปัญหาว่า คนว่าง่ายกับคนหัวอ่อนเนี่ยต่างกันอย่างไรคนว่าง่ายกับคนหัวอ่อนดูดูจะคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับคนว่าง่ายนี่เป็นคนมีหลักการแล้วก็มีเป้าหมายแต่คนหัวอ่อนนั้นไม่มีหลักการและไม่มีเป้าหมายคนหัวอ่อนนี่คือใครจูงไปทางไหนก็จูงไปได้ท้งนั้น ใครจูงไปทางไหนก็จูงไปได้คนนั้นพูดอย่างนั้นก็เชื่อคนนี้พูดอย่างนั้นก็เชื่ อ, อถูกจูงไปได้สารพัดทิศสารพัดทางจะเอาดีทดยังไงนี่คนวัวอ่อนนะครับถูกจูงไปได้โดยง่ายบางทีก็ถูกจูงไปติดยาเสพติดบางทีก็ถูกจูงไปเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็เนื่องจากเป็นคนวัวอ่อน นั่นเองขอให้พิจรารณาดูให้ดีนะครับว่าเราเป็นคนวัวอ่อนหรือเราเป็นคนว่าง่ายสําหรับคนว่าง่ายนั้นเป็นคนที่มีหลักการและก็มีเป้าหมายในชีวิตเขือถ้าผิดกับหลักการอย่างนี้คนที่ว่าง่ายนั่นแหละจะไม่เอาแล้วก็ถ้าเห็นว่าพลาดจากเป้าหมายคือไม่ตรงกับเป้าหมายที่ดีงามแล้วคนที่เรียกว่าว่าง่ายนั่นแหละจะไม่เอา แต่เขาจะเอาแต่สิ่งที่เห็นว่ามันตรงตามหลักการไม่ผิดหลักการไม่ผิดวิธีการแล้วก็ตรงตามเป้าหมายอย่างนี้เขาเอาเขารับเขารับได้มาเตือนมาสั่งสอนมาอะไรในวิธีในวิธีทางแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟัง โปรได้แยกแยะให้ดีนะครับระหว่างคนหัวหอกดับคนว่าง่ายทีนี้สิ่งหนึ่งที่ประโยชน์ยางยิ่งของคำเตือนก็คือทําให้เราละทิ้งสิ่งทีไราสาระบางทีเรากําลังทําสิ่งทีไราสาระหรือว่ามันไม่มีคุณค่าเท่าที่ควร แล้วก็มีคนมาเตือนเราบอกว่าอันนี้มันไม่มีคุณค่าหรอกนะมันไม่มีสาระเท่าที่ควรเ อ, อไม่คุ้มกับเวลาที่เราต้องเสียไปเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากพอได้รับคําเตือนอย่างนี้บางทีทําให้เราเอามาพิจารณาใหม่ห <c oughs> รือพื้นใหม่ทบทวนใหม่เ อ, อถ้าจะจริงเ อ, อมันได้สาระมันได้สาระไป สะมันน้อยไปไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปอ <c oughs> ถ้ามีคนเตือนอย่างนี้ก็ต้องออพิจารณากลับมาพิจารณาใหม่เราก็จะได้ได้พิจารณาใหม่แล้วเราก็จะได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นที่ไร้สาระเสียแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นสาระ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เห็นส ah ิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระผู้นั้นมีความดำ m ฤทิผิดเป็นทางดําเนินก็จะไม่พบสิ่งที่เป็นสาระส่วนผู้ใดเห็นสิ่งว่าเป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระผู้นั้นมีความดํารีิถูกเป็นทางดําเนิน เขาย่อมจะได้พบสิ่งที่เป็นสารละออ <c oughs> อันนี้เป็นพระพุทธภาษิตนะครับที่ส่งปรารบเรื่องกอรสาธิเรื่องที่ท่านไปลาท่านสนชยัยเท่านสนชัยซึ่งเป็นอาจารย์เดิมของท่านก็ไม่ไม่ยอบไปเฝ้าพระพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าก็ปรารบเรื่องนี้ท่านสนชัยก็บอกว่าท่านจะอยู่กับคนโง่ในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่า ท่านสาริบุตรก็บอกว่าคนฉลาดมีน้อยคนโง่มีมากกว่าอาท่านสุนชัยก็บอกว่าเราจะอยู่กับคนคนส่วนมากหรือคนโง่คนฉลาดฉลาดให้ไปสำนักสํานักของพระสมณโคดม พ, พุติเจ้าท่านก็เมื่อพระสาริบุตรท่านกราบทูลพระพุทิเจ้าเรื่องนี้พระภูติเจ้าท่านก็ตรัสเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระถ้าเห็นกลับกันแล้วก็ไม่พบสาระต้องเห็นถูกต้องถึงจะได้สาระที่ดีต่อไปก็อาจจะพูดถึงเรื่องสิ่งจูงใจหรือสิ่งเตือนใจจากภายในคือตัวของเราเอง <c oughs> จำหลักของพระพุทธเจ้านะครับคนเราเนี่ยจะเป็นคนเสื่อมหรือจะเป็นคนเจริญเนี่ยก็รู้ได้ง่าย พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าธรรมกามโมพวังโกติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศศีปราภูผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม